ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News u p d เด e กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิพัฒนาต่อยอดผลไม้พระราชทานมะม่วงมหาชนกอาจารย์วันภาวงศแสงธรรม หัวหน้าสาขาวิชาวิทย า, าศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสนภูมิกล่าวว่าการนำมะม่วงมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อนำไปออกงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัต ร, ราชสุดาสยามบร ม, มาราชกุมารีผลิตภัณฑ์แรกที่ทำคือน้ำมะม่วงมหาชนก เนื่องจากมะม่วงมหาชนกมีจุดเด่นที่กลิ่นและเนื้อสัมผัสไม่เหมือนมะม่วงทั่วไปเพื่อให้น้ำมะม่วงนั้นสามารถเก็บไว้ได้นานเราจึงใช้วิธีการทำแบบฆ่าเชื้อสามารถตั้งอยู่ในอุณหภูมิห้องได้ไม่ต้องแช่เย็นซึ่งตอนนี้มีผลิตภัณฑ์อยู่2แบบคือน้ำมะม่วงมหาชนกพร้อมดื่มโดยใช้เนื้อมะม่วง25ปอร์เซน์มาปรับรสชาติและน้ำมะม่วงมหาชนกเข้มข้น ใช้เนื้อมะม่วง 50% เอร์เซนต์โดยผลิตภัณฑ์ทั้งสองแบบไม่ได้ใส่สารกันบูดเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคที่ผ่านมาได้มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจและโรงเรียนต่างๆในจังหวัดพระนครศรีธยาธและจังหวัดใกล้เคียงโดยให้นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกสอนน้องๆ น, น, น, นักเรียนอีกด้วย ปัจจุบันนอกจากน้ำมะม่วงมหาชนกแล้วยังได้มีการแปลรูปเป็นไอศครีมแยมเยลลี่และนำมาเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เช่นทาร์ตมะม่วงมหาชนกซึ่งผลตอบรับค่อนข้างดีผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาวิทย า, าศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช ม, มงคลสนภูมโทรศัพท์0 3 5 7 0 9 0 9 6ธนชพรปานเนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช ม, มงคลสนภูมรายงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกาศงดรับของขวัญปีใหม่ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนายสานิตนิยมาคมผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืนในฐานะรองโฆษก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟผเปิดเผยว่าในปีนี้เป็นช่วงฤดูการส่งมอบความสุขในเทศกาลส่งไทยปีเก่า2561และตอนรับปีใหม่2562ที่กำลังจะมาถึงนี้กฟผได้ขานรับและประกาศนโยบาย no gift policy เพื่อแสดงถึงความมุ่ง ม, มั่นและเจตนารมอันแน่วแน่ของกอฟผที่จะต่อต้านการทุจริตคอรัช่นในทุกรูปแบบตามนายโยบายของรัฐบาลและกระทรวงพลังงาน โดยกะฟผมีความมุ่งมั่นปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเน้นการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาพิบาลยึดมัน่นจรรยาบาัณการทำงานที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้รวมถึงส่งเสริมค่านิยมในการประหยัดโดยงดรับของขวัญหรือของกำนันจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกในช่วงเทศกาลปีใหม่และทุกโอกาสรับังข่าวครั้งต่อไปในเวลา21นาฬิกา